เรื่องราวทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราฟังจบแล้วก็ทิ้งไปผ่านไปแล้วตอนนี้เหลือแค่รู้สึกมีร่างกายอยู่ก็รู้สึกชีวิตที่แท้จริงเหลือแค่รู้สึกเราใช้สมมุติเสร็จแล้วก็ทิ้งสมมุติไป เหลือแค่รู้สึกไม่มีคนไม่มีใครทั้งนั้น ชีวิตที่ลิเลดกับอะไรเกี่ยวข้องพัวพันและลึกถึงคนเรื่องราวอะไรต่างๆนาน า, นาเป็นชีวิตที่เป็นทุกข์แต่ชีวิตที่เหลือแค่รู้สึกเป็นชีวิตที่พ้นทุกข์ ชีวิตที่มีทุกเป็นชีวิตของคนเพราะเราใช้ชีวิตที่พ้นทุกข์ด้วยกิริยาแค่รู้สึก ผมบอกว่าแค่รู้สึกผมไม่ได้พูดมากกว่านั้นอย่ามีเงื่อนไขกับการรู้สึกอยาก่าคาดหวังว่าจะเห็นอะไร ทิ้งทฤษฎีทั้งหมดไปมีบางอย่างเกิดขึ้นก็แค่รู้ทิ้งความรู้ไปว่ามันจะต้องดับหรือมันจะต้องเปลี่ยนแปลง จะต้องเห็นมันทิ้งความรู้เหล่านี้ไปให้หมดเมื่อไรที่เราคิดถึงอะไรขึ้นมาเป็นคำพูดได้ในขณะนั้นเป้าหมายกำลังเกิดขึ้นคนกำลังเกิดขึ้น ความอยากความต้องการจะเห็นอะไรอะไรที่เคยได้ยินได้ฟังมาว่ามันดีว่ามันถูกกำลังเกิดขึ้นรู้ทัน การปฏิบัติธรรมทั้งหมดแท้จริงแล้วลงมาเหลือแค่รู้ตอนนี้เป็นยังไงก็รู้เป็นกล้องวงจรปิด ไม่มีความคาดหวังอะไรเลยหมดหวังหมดตัวหมดตนหมดทุกข์ เพราะนั้นวันนี้ขอให้เราทิ้งความรู้ทุกอย่างไปทิ้งถูกทิ้งผิดไปทิ้งทุกเป้าหมาย แค่รู้สึกแค่รู้สึกไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครได้ความรู้อะไรไม่มีใครต้องได้ความจริงอะไร เราฟังความรู้เช่นสภาวะเกิดขึ้นจะต้องดับไปสภาวะอะไรเกิดขึ้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาอยากจะเห็นแบบนั้นนี่คือความผิดพลาด เคยความโกรธเกิดขึ้นเดี๋ยวจะดูมันจะได้เห็นมันเปลี่ยนแปลงจะได้เห็นมันดับไปจะได้เจริญวิปัสสนาทั้งหมดกำลังบอกตัวเองว่าฉันจะได้ปฏิบัติธรรม มีแต่เราตลอดทางเราดูชีวิตชีวิตนี้ประกอบด้วยกายและจิตเราดูชีวิตนี้ เหมือนเราไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเลยแต่ทุกวันนี้ความรู้ทางธรรมมันเยอะเรามีเป้า ฉะนั้นดูชีวิตนี้เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยรู้จักมันมาก่อนให้มันแสดงเราแค่ดูเหมือนเราไปดูสัตว์ในป่าสัตว์แปลกๆที่เราไม่เคยรู้จักมันมาก่อน เราจะไม่มีไอเดียว่าเราจะเห็นมันเป็นยังไงเราจะคิดไม่ออกเลยเพราะไม่มีใครสอนเรามาก่อนดูชีวิตตัวเองดูแบบนั้นเมื่อเราจะได้เห็นสัสตว์ตัวนั้น หรือชีวิตอันนี้ตามความเป็นจริง เรามีคำสอนว่าต้องรู้สึกตัวเราเลยมีเป้าหมายว่าเราต้องรู้สึกตัวพอเรานึกขึ้นได้ว่าต้องรู้สึกตัวเราก็จะพยายามจะรู้สึกตัวต่อความผิดพลาดเกิดขึ้น เราเกิดขึ้นแล้วทันทีเพราะเราจะเอาความรู้สึกตัวเพราะเราว่านี่ดีเพราะฉะนั้นทิ้งของดีไปซะ เหลือแต่ความจริงตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้รู้สึกตัวขึ้นมาตอนนี้หลงไปคิดตอนนี้รู้ทันขึ้นมาตอนนี้หลงไปคิดตอนนี้รู้ทันขึ้นมาตอนนี้หลงไปดูตอนนี้รู้ทันขึ้นมา นี่คือความจริงไม่ใช่เอาสิ่งที่ดี อะไรจะดีแค่ไหนถ้าเอาไว้ต้องทุก มีใครสอนเจ้าชายสิทธัตถะว่าชีวิตนี้เป็นยังไงท่านไม่มีอะไรในหัวที่จะคาดเดาล่วงหน้าได้ท่านเฝ้าดูท่านเฝ้าดูชีวิตนี้ โดยไม่มีข้อสรุปอะไรเลยก่อนหน้านั้นพวกเราก็ปฏิบัติแบบนั้น เมื่อเราแค่รู้สึกไปเรื่อยๆจนจิตใจนี้สรุปความจริงขึ้นมาความรู้ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสรุปไว้ครูบาอาจารย์สอนไว้มันค่อยเป็นสิ่งที่เทียบเคียงเฉยๆว่าสิ่งที่เราเห็นนั้น ตรงตามที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เวลาปฏิบัติธรรมผมบอกว่าเหลือแค่รู้สึกแค่รู้ทันอะไรกำลังเกิดขึ้น ปราศจากข้อสรุปใดๆก่อนหน้านั้นไม่มีเราเป็นนักปฏิบัติธรรมไม่มีเราต้องการปฏิบัติธรรมเป็นเพียงหน้าที่ ของชีวิตเหมือนมีหน้าที่หายใจไม่ต้องคาดหวังว่าเซล์จะได้ออกซิเจนเท่าไหร่เม็ดเลือดแดงจะได้ออกซิเจนกี่เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนจะไปทั่วร่างกายไหมเราไม่เคยคาดหวังแบบนั้นเราแค่หายใจ เราหายใจทั้งชีวิตจนเรารู้ได้ว่ามีความจริงอันหนึ่งว่าถ้าเราไม่หายใจเราจะตายความจริงนี้จะแสดงออกมาให้เรารู้เองขอแค่ทำหน้าที่หายใจไปเพราะนั้นเราปฏิบัติทม ไม่ต้องเป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ต้องเป็นอะไรทั้งนั้นเป็นชีวิตที่ได้ทำหน้าที่ที่ถูกต้องแค่รู้สึกและรู้ทัน เพราะฉะนั้นปัญหาของนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากเช่นเราฟังว่ารู้สึกตัวนี่มันดีเรานึกขึ้นได้ปุ๊บรู้สึกตัวปุ๊บ เราจะต่อเลยจำมันนี้ไว้เรานี่แหละจะรู้สึกตัวเข้าใจว่าความรู้สึกตัวเป็นความจริงแต่จิตที่หลงไม่ใช่ความจริงหรอเป็นความจริงทั้งคู่ ธรรมชาติจิตเป็นแบบนั้นเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงแต่เราจะเอาอย่างเดียวนี่คือความอยากนี่คือตัณหาจึงเกิดการประคองควบคุมเพื่อจะเอาแต่ของดีๆทั้งหมดนั่นคือเรา จริงๆแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีหรอกว่าดีหรือไม่ดีปฏิบัติเข้าไปจริงๆจะรู้ว่ามันมีแค่ว่ารู้หรือไม่รู้พอชีวิตเราเหลือแค่รู้สึกอันทีที่จิตไปพัวพันกับคนกับบางสิ่งกับเรื่องราวจะเกิดทุกข์ ดีหรือไม่ดีไหมเรามีหน้าที่แค่รู้ว่าถ้าจิตเป็นแบบนี้เกิดคนเกิดทุกข์ถ้าเกิดคนเกิดทุกข์เอาไหมไม่เอาก็ต้องกลับมาอยู่โหมดอะไรแค่รู้สึกเราไม่ต้องไปจัดการที่จะหยุดความคิด หรือไปคิดเรื่องนั้นให้มันจบสิ้นภาษาชาวบ้านก็คิดให้มันแตกหักเลยจะ ไ, ได้จบจบไปไม่ต้องคิดแล้วอันนี้คือกลับดักเพราะมันไม่มีวันจบจะยิ่งทำให้จิตนี้อ่อนไปเรื่อยๆจนออกจากความคิดไม่ได้ อย่างนี้ผมเรียกว่าผมบอกไว้ก่อนแต่พวกเราลองดูเองคิดให้แตกหักดูซิ่มันจบจริงไหมจะได้มีประสบการณ์ทุกข์ด้วยตัวเองจะได้รู้จักคำว่าจิตมันอ่อนเป็นยังไงมีประสบการณ์ผิดด้วยตัวเองมีประสบการณ์ทุกข์ด้วยตัวเอง มันจะเป็นบทเรียนไม่ใช่ว่าไม่ดีผมบอกแล้วว่าสำหรับผมดีทั้งนั้นมันจะเป็นบทเรียนมันคุ้มค่าให้เราเห็นคุณค่าของคำว่าแค่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ มีคุณูปการกับชีวิตเราขนาดไหนเมื่อวานที่ผมบอกว่าหลวงพ่อเทียนเคยพูดกับท่านเขมานันทะว่าคนพวกนี้มาทำอะไรกันคือเขากำลังมานั่งขยับมือตามที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละหลวงพ่อเดินออกมาถามว่าคนพวกนี้เ้ามาทำอะไรกัน ความเข้าใจผมพวกเขามาปฏิบัติธรรมเพราะหวังจะได้อะไรบางอย่างเขาเริ่มด้วยความเป็นตัวเราทำไปทั้งหมดก็เพื่อตัวเราเขาไม่รู้จักว่าชีวิตมีแค่หน้าที่แบบนี้ มาทำหน้าที่เฉยๆไม่ใช่มาเป็นนักปฏิบัติมาทำหน้าที่พระพุทธเจ้าสร้างศาสนาขึ้นมาท่านออกแบบชีวิตให้กับพระภิกษุสงฆ์ทุกลูกที่อยู่ภายในศาสนาพุทธนี้ ท่านดีไซน์ไว้ให้หมดแล้วพ่า น, นชีวิตที่เหลือก็คือทําหน้าที่ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องออกแบบชีวิต ต, ตัวเองจะต้องเป็นยังไงเหลือแค่ใช้ชีวิตตามหน้าที่ทุกวันเหมือนกัน พระไม่มีวันหยุดให้แบ่งแยกชีวิตวันนี้จะไปพักผ่อนและไปเที่ยวเหลือแค่ทำหน้าที่ใช้ชีวิตดูจิตดูใจมันเป็นยังไงก็รู้มันเกิดขึ้นก็รู้สภาวะใดๆเกิดขึ้นก็รู้มันยังอยู่ก็รู้ มันไม่ดับไปก็รู้มันดับไปแล้วก็รู้ไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นว่าต้องดูปุ๊บต้องดับปั๊บไม่ต้องมันไม่ดับก็ไม่ดับเราต้องการเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นตามทฤษฎีความเป็นจริงตรงหน้าเป็นแบบนี้ก็รู้เป็นแบบนี้จิตมีคุณภาพเท่านี้ เห็นได้แบบนี้ก็แบบนี้ฝึกไปฝึกไปสมาธิมากขึ้นเห็นละเอียดขึ้นเห็นลึกซึ้งขึ้นก็ความจริงตรงนี้ก็เป็นแบบนี้แม้ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมแต่มันเท่ากันตรงมันเป็นความจริงในขณะนั้นๆตามเหตุตามปัจจัยที่จะเห็นได้ตรงนี้ละเอียดนะแต่เพราะเรามีทฤษฎีเยอะ พอไม่เป๊ะอย่างที่เราฟังมาเนี่ยเราว่ามันไม่ถูกทิ้งไปซะเหมือนเราเห็นตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษ์ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาได้เห็นตามความเป็นจริงแบบขั้นสูงสุด ถามว่าไอ้ที่เราเห็นตามความเป็นจริงก่อนหน้านั้นผิดไหมไม่ได้ผิดอะไรก็เห็นได้แค่นั้นตอนนั้นเพราะนั้นหัวใจคืออะไรเห็นตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆไม่ต้องสรุปอะไรทั้งนั้นพวกทฤษฎีเยอะคิดมากลำบาก ค่อยฝึกไปไม่ต้องเอาถูกเอาผิดถ้ายังรู้ปัจจุบันธรรมอยู่ไม่ได้หลงในโลกความคิดปรุงแต่งทั้งวี่ทั้งวันไม่ต้องเดือดร้อนอะไรทั้งนั้นเราต้องการความก้าวหน้าความเดือดร้อนมันถึงมาหาไปก็คือความยากนั่นแหละ แต่ละพัดอยากกับไม่อยากเต็มไปหมดแค่รู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่มีความอยากอะไรเลยมันเลยไม่มีทุกข์ไม่มีเราเพราะไม่มีอยากหลวงพ่อที่หนึ่งเคยพูดกับผมบ่อยๆ เวลามีคนมาถามเรื่องการปฏิบัติธรรมสมัยก่อนผมบอกหลวงพ่อว่าโอ้หลวงพ่อถ้าทําคอร์สไม่ร้จะพูดอะไรทาไม่ได้ผมทําไม่ไดไ้รู้จะพูดอะไรไ ม, มีอะไรพูดนักหนาการปฏิบัติมีนิดเดียวหลวงพ่อเลยตอบผมบอกว่า ใช่หลวงพ่อจะพูดคำเดียวดูจิตดูจิตก็คืออะไรอะไรกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รู้จบแค่นั้นไม่มีการจัดการแทรกแซงหรือว่าคิดว่าจะทำยังไงดีให้มันดีกว่านี้ คนขี้โมโหทั้งหลายขี้หงุดหงิดทั้งหลายขี้โกรธทั้งหลายเมื่ออารมณ์แบบนั้นเกิดขึ้นในใจทิ้งเหตุทิ้งผลทิ้งเรื่องราวทิ้งถูกทิ้งผิดทิ้งไอคนที่ทำาทำให้เราโกรธะแล้วเห็นอาการในจิตใจ ที่กำลังแสดงอยู่ดูมันก่อนเอาเรื่องทีหลังจะโกรธทั้งทีให้เห็นความจริงสัหน่อยจะได้ไม่ขัดทุนทิ้งความเป็นคนไปก่อนเห็นอาการเข้าไปตรงๆพอเราได้เห็นความจริงของอาการนั้นๆ มันเปลี่ยนแปลงมันดับไปเราจะเลิกเอาเรื่องไอ้คนนั้นทำไมเพราะความสุขจากการมีปัญญามันเกิดขึ้นแทนที่ ใช้ชีวิตแค่รู้สึกและว่ามีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในใจทำอย่างที่ผมบอกทิ้งเหตุทิ้งผลทิ้งเรื่องราวทิ้งไอ้คนคนนั้นไปก่อนเข้มแข็งเห็นอาการอารมณ์ต่างๆในใจก่อนเห็นจนมันแสดงความจริงก่อน รับรองว่าการปฏิบัติของทุกคนจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วปัญญาอันหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนเราเห็นอารมณ์แบบนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงหรือดับไปเพราะเราจะเกิดความเข้าใจอันหนึ่งว่าอารมณ์ใดๆนั้นมันช่างไร้แก่นสารเหลือเกินพอเราเห็นอะไรมันไร้แก่นสาร มันก็เหมือนเป็นอะไรที่มันไร้สาระเหมือนเราเห็นคนบ้ากำลังทำอะไรเราก็ไม่โกรธมันหรอกเพราะเรารู้ว่ามันบ้าอนรมณ์ต่างๆพอเราได้เห็นว่ามันไร้แก่นสารไร้สาระเราก็ไม่เอาเรื่องเอาลาวเอามาโกรธจริงๆ แต่เพราะเราไม่เห็นความจริงว่ามันไร้แก่นสารอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นมันเลยเป็นเหมือนของดีของจริงที่เราต้องเชื่อแบบนั้นท่า น, นเราจะล้างความเห็นผิดได้ก็ด้ดยการเห็นตามความเป็นจริง ไหมบางทีเราเผลอไปคิดแล้วก็อุ้ยต้องรู้สึกตัวแล้วมันก็จะแน่นขึ้นมาเนี่ยจิตมันอัตโนมัติทำยังไงเราก็แค่รู้ทันพอมันแน่นแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วก็แค่รู้สึกต่อไปไปเดี๋ยวก็หลงอีก บางคนก็อาจจะแน่นอีกเพราะรู้สึกขึ้นมาปุ๊บมันก็อยากจะรู้สึกอีกอยากจะรู้สึกตัวไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันชินว่าเออมันพานไม่ได้วะมันเรียนรู้เองมันก็เลิกบ้าเลอหลงก็ได้แล้วก็รู้หลงม่ได้แล้วก็รู้เนี่ยไม่มีเอาผิดเอาถูกเลยทั้งนั้น พวกเราเห็นไหมว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนมีสภาวะที่เราไม่แน่ใจเราผิดต่อวะแล้วก็เราก็เก็บไว้ดูก่อนพอเวลาผ่านไปที่เราเก็บไว้ดูก่อนนันะมันก็จบมันก็หมดมันอยู่ไม่นาน ไม่มีแก่นสารเหมือนกันแต่ตอนที่เราร้อนใจผิดหรือถูกผิดหรือถูกจะถามครูบาอาจารย์คือถามได้เยอะเนี่ยคือมันเอาผิดเอาถูกตลอดเวลาค่อยๆเรียนรู้ไป จะรู้ว่าอะไรอะไรในโลกนี้ก็ไร้แก่นสารตรงนั้นมันไร้แก่นสารเพราะมันไม่มีความเป็นตัวเป็นตนอะไรเลยทุกสิ่งล้วนน่าเบื่อเพราะมันไร้แก่นสาร